ตันสาธารณบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดถึงลัทธณะอยแห่งการหนีบาปกันต่อไปแต่ขอยย้ำไ้ก่อนว่าการที่จะหนีอาบาัยภูมิทั้งสี่คือการไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานต่อไปนั้น ต้องกำจัดสังโยชน์อารมณชั่วสามรการให้พ้นจากใจอารมณชั่วทั้งสามรการขอย้ำไปตอนนี้ก่อนตอนต้นจะได้ไม่เฝือข้อที่หนึ่งที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ตายตัดทิ้งไปให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องตายแน่และไม่ประมาทในชีวิตคิดทำความดีต่อไปก้อทสองวิจิกิจฉา ความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนี้ตัดทิ้งไปยอมรั บ, รบทัตถอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ข้อที่สศีลปตาปรามาตยมีการปฏิบัติในศีลไม่แน่นอนไม่จริงจังอันนี้ต้องทิ้งไปหันมากลับปฏิบัติในศีลได้แน่นอนได้จริงจังเคารวาะเพียงแค่ศีลสิบขอโทษ เราวาดเพียงแค่สินห้าหรือว่ากรรมดสิบใช้ได้แล้วสำหรับปีสุดท่านเองก็เป็นสิ่งของท่านถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ทุกคนของบันดาแท่พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจได้ว่าจะตายเมื่อไรก็ตามทีเราไม่ลงอบายภโกงกันแน่ที่หันมาพูดอย่างนี้ก็ย้ำแต่ตอนต้นเพราะว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะงง เขเลยตอนต่อไปนี้พูดเรื่องยาวจะไม่ได้ว่าชาตินี้ทั้งชาติแล้วแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทเรื่องความตายของชีวิตถ้าคนที่เกิดที่หลังเราเด็กเล็กตายก่อนเราไปเยอะแยะเราต้องตายแน่พยายามรวดรับรวบรัมความดีเข้าไว่บาปเก่าๆที่ทำไปแล้วช่างมันมันไปนไหนก็นท น, นมันตามเราไม่ทนัน ด้วยอาศัยคนณรเคารพระพุทธเจา้าเารบพระธรรมเขารพระอาริยสงฆ์และปฏิบัติชินให้บริสุทธิ์อย่าลืมว่าคราววัดชินห้าอาจจยาบไปนิดหนึ่งแต่ก็ค้นอับายภูมิแล้วถ้าทางที่ดีได้กรรมบุญศิษย์จะดีมากเรื่องนี้รายละเอียดไปยังไงฟังต่อไปขณ า, าสำหรับตอนนี้ก็มาขอตอ่อตอนต้นที่ผ่านมาคือตอนที่หนึ่ง และวในเมื่อเรานึกทิ้งความตายแล้วแล้วก็เข้ามาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพระรร ม, มำคำสอนของพระพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสง ต, ตอนนี้ก็มาว่าิ้งความดีของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้ามีความดีเหลือหลายอาตมาเองก็ไม่สามารถจะพัฒนาความดีของพระพุทธเจ้าครบทนได้ แ่ขคืนพัร น, นาไปมากบรรดาเต่นพุทธวิเัทก็จะเบื่ออาการตอนต้นม น, น้อยก็แล้วกันเพียงแค่เรายอมรับนับถือความจริงของท่านที่พระพุทธเจ้าทรงอุปบัติขึ้นมาแล้วในโลกพระองค์ไม่ได้หวังประโยชน์ความสุขส่วนตัวเลย <c oughs> คือว่าไม่หวังเฉพาะความสุขส่วนตัว ต้องการแจกจ่ายความสุขให้แก่บุคคลทั้งโลกตามที่เราจะเพึงทำได้ <c oughs> ท่านี้ก็ต้องอาศัยความเชื่อความเรื่มใสในพระองค์ถ้าขาดความเชื่อขาดความเรื่อมใสพระพุทธเจ้า ก, ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเมอคนที่ไม่เชื่อกันแล้วนี่พูดเท่าไรก็ไม่ยอมรับฟังฟังแล้วก็ไม่ยอมเชื่อแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตาม อย่างนี้ก็ไม่มีทางจะช่วยได้อี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอขาตาโรต ถ, ถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วจะทําทตามหรือไม่ทําตามเป็นหน้าที่ของท่านถ้าทุกคนทําตามได้คนบุคคนบุคนบุนั้นก็พ้นจากอบยภูมิได้นี่แค่เบื้องต้นตนะ ถ้าว่าสามารถปฏิบัติตามได้พ้นได้แน่ที่เราจะปฏิบัติตามท่านจะเอาังไงในตอนนี้ดังยังไม่พูดถึงสิงก่อนเอาแค่ความดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีกฎในการสอนยุ่ว่าหนึ่งสัพปาปัสสากะระนังให้บรรดาพระสงฆ์และพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพยายามสอนให้ทุกคนละจากความชั่วทุกประเภท คือไม่ทำความชั่วทุกประเภทไม่ทำไม่พูดแล้วก็ไม่คิดซะด้วยกุศลสูงไปสมทาแนะนำให้ทำความดีทุกรายการให้จิตตะประโยชน์ทุลังแนะนำส่งสอนให้มีจิตใจผ่องใสคือไม่มีอารมณ์โมหมองมีอารมณ์สดชื่นอยู่เสมอเอตังพุทธานาสาสนัง ท่านยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดมาตอนนี้ทุกท่านจะสงสัยไหมก็ไม่ขอพูดทันเลยสงสัยจะไม่สงสัยก็ช่างเอาคนเข้านับถือพระพุทธเจ้าแบบย่อๆเอาพระเภศ ย, ย่อๆที่ทำแบบง่ายที่สุดและตายจากความเป็นคน ก็ยังไม่มาเกิดเป็นคนและก็ไม่ลงนรกไปเกิดเป็นเทวดาเอากันอย่างย่อๆง่ายๆนะยังไม่ต้องปฏิบัติตามมากเอาแค่นึกถึงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วเขาผู้นั้นก็ตายจากความเป็นคนและไม่ยอมลงนรกด้วย แล้วเกิดเป็นเทว ด, ดาบนสวรรค์ท่้นดาวประเดิงสติวโลกหลังจากนั้นเมื่อเป็นเทว ด, ดาลแล้วได้พบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งฟังเทศอีกครั้งเดียวย่อๆสั้นๆท่านผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบันท ว, ว่าปฏิบัติยังไม่ถึงขั้นเข้าครึ่งหลักสูตรเลยเข้ามานิดเดียวเท่านั้น ถ้าใช้เวลาน้อยหรือเกินใช้เวลาแค่นึกปเดี๋ยวเดียวนึกถึงพระพุทธเจ้าตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นเทวดาเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นประโสดาบันที่มีนักเทศหรือคนบางคนพูดว่าการบำเพ็ญบารมีต่อสายชาติมนุษย์เป็นเทวดาแลือพรมบำเพ็ญบารมีต่อไม่ได้อันนั้นไม่จริง เทวดาหรือพรหที่เป็นพระอนาคามีไม่มีใครกลับมาอีกความเป็นตนให้เป็นพระหลานปานิพาน์ไปเลยอย่างท่านที่พูดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นมนุษย์ถ้ามีความดีนิดเดียวเวลาน้อยๆเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศกครัางเดียวเป็นพระโสดาบันมี่เขาต่อกันได้แบบนี้เรื่องนี้มีมาในพระพุทธไตรปิก จะขอเล่าเรื่องสู่กันฟังจะได้เบื่อน้อยผู้กระตือธรรมะเนี่มันเบื่อนาน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งเบื่อยิ่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมันไม่เคยซึ้งใจฟังไม่เพลินสําหรับท่านนี่นึกถึงพระพุทธเจา้านิดเดียวยอมรับนักถือชั่วขณะจิตเดียวคือไม่นานนักถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมงตาย ใหเป็นเดาท่านผู้นี้มีนายมาในพระธรรมบทท่านแค่ชื่อว่ามัตตกุณลีเทพบุตรท่านผู้นี้เป็นลูกของพราหมณ์พราหมณ์ที่ไม่เคารพในพระพุทธเจา้าและก็เป็นพราหมณ์ขั้นพิเศษเสียด้วยที่เรียกว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิต ที่ว่าทินละกาภุประการรามอของเขานะี่ยทินละกานี่แปลไม่เคยให้ภุปกะในการก่อนในชีวิตในการก่อนก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยอย่างพวกก่อนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่ต้องบอกก่อนที่ไม่ก่อนที่พบลูกชายที่เป็นเทวดาเอ็ความจริงการพบพระพุทธเจ้าเนะี่ยเขพบกันมานาน ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิดสั่นิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวพระเจ้าจไม่หาทรัพย์สมบัติมาให้เพราะอรหันต์ไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปูย่ย่าตายายหาไว้ให้ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับฐานะ ก็เลยไม่ยื่นโยนฐานะส่งเคราะห์ใครกับใครทั้งหมดก็มีกินมีใช้แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพรามคนนี้จะมีฉา ย, ยาวาธินกะบุพกะพรามแปลว่าพรามผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายได้เปน็นเทวดานี่ก็ให้กันนี่ท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมา ว่าตายแล้วไม่มีการเกิดเพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้าทรงยืนยันแล้วอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายแล้ว ม, มีการเกิดแน่ถ้าทำดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดเปรติวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกันถามว่าอะไรเป็นเครื่องบิ์ ก็ตอบว่าลูกศิษย์ลูกหาเป็นแสนเขาสามารถทํากันได้แล้วละลึกชาติเขาได้อาทตยต่างสัญญาเหตุการณ์อดีตสามารถทําได้อนนานาคตต่าสัญญาเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทําได้อภเพนิวาส า, ารนิตยานละลึกชาตได้เขาทํากันได้ยานนอกจาก น, นี้เขาก็ทํากันได้หมดทํากันได้เป็นแสนแสนคนทศส า, ส า, สารกล้ายืนยันคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดี๋ยวมันจะเลอกไปพอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัด <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อไว้ว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อบอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบให้อะไรใครเท่านั้น <c oughs> ต่อมาลูกชายป่วย เป็นหน่มแล้วลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปจนชาบินาบัิพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปฉันไม่นับถือนายาแล้วกันวงความร้อลูกชายป่วยให้ความรู้สึกของแกว่าไอ้ลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมก็ก็เสียสตัง ถ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงินท เ, เงินกับสตางค์ก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้เนะีะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนะี่ยที่มีชื่อมีเสียงเข้าไปเพียงวันแรกเป็นหมืน่นลูกชายเพียตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสียเงินเสียทองแน่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะ เสียเงินไม่มากแ่ก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแ็ก็ไปถามหมอว่าอาการของลูกแบบนี้เป็นโรคผอมเหลืองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึตาทุเสมอ <c oughs> ฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะสัก จ, จะใช้ยาอะไรหนอรักษาจจะหาย มีความขี้เหนียวของแกรักทรัพย์สินมากกว่ารักโลกตามธรรมดามอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมดาเพราะเขามีอาชีพหมอถ้าเราเป็นเป็นหมอแข่งเขาหมอเ ข, เขาหากินไม่ได้เ่าบอกตำรายากลางบ้านให้ธรรมยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรที่คนนิยมใช้กันเองตามชาวบ้าน สมัยนี้เขาใช้ยาหมอตีความจริงหมอตีจะโทษว่าไม่ดีก็ไม่ได้มีแพทย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นโรคซิ่งอตมาท่านยังไปซื้อยาหมอตีให้หมอตีจัดยาให้ท่านก็กินตามนั้นถาว่าหมอเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมกินยาหมอตีเพราเข้าไปหมอตีไม่รู้ว่าคนนี้เป็นแพทย์ที่มีความสำคัญมาก ท่านเป็นอาการเพรท่านเป็นอาการอย่างนี้มียาอะไรขายบ้างหมอตีก็จัดยามาให้ท่านดูแลไอ้ยาเนี่ยมันตรงกับอาการของท่านตรงกับโรคถ้าก็มาบริโภคลมก็หายนี่ยัหาว่าหมอตีไม่สําคัญก็ไม่ได้นะหมอตีสิหมอตีคือโตกว่หมอตีบางทีก็ให้ยาไม่ตรงกับโรคเหมือนกัน อันนี้ว่าไปว่ามาไม่ได้ดินทามหมอเนะี่ยพูดตามความเป็นจริงก็เป็นว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแกก็มาเก็บยาเองให้ลูกกินไอยานี่ก็ถูกลูกจริงๆคือยานี่ถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรค ไม่สามารถรักษาโรคได้แต่คนกินถูกยาคือกินเข้าไปปากวัคชนยาให้วยาถูกลูกแต่วิยาไม่ถูกโรควิตยาไม่สามารถกำจัดโรคได้ก็ป่วยหนักลงไปทุกทีตาพรามก็มา น, นั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องห้องมีเครื่องประดับประดามากมีเครื่องมีราคาแพงมาก้าการไข้มันหนักมากขึน้นมาเมื่อไร หนักไปกว่า น, นี้ญาติทั้งใหญ่หลายลูกเข้าก็จะมีความโห่ใหญ่เดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมการจะห้ามญาติเยี่ยมเนี่ยก็เป็นการไม่ดีเมื่อเข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆก็จะขนอน่ขนขอนี่เราก็จะเสียของเปล่าอยากกันั่นเลยชวนเมีย ช่วยป็นอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอาบันนอนไว้ที่เราเบียงเหลืองซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอาอยาประเภทนั้นให้กินลูกก็หนักประมาณทุกทีนอยที่สุดชีวิตใกล้จะหมดเรียกว่าใกล้จะเลิกกลไม่เลิกหายใจจะตายกันแล้ว ลูกชายไม่ถูกทุกแต่ทรมานมากจากโรค ก, ก็มา น, นึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายยี่อยู่ในฐานะมาหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริงเราป่วยพ่อจะหาหมอมาดูแลพ่อกักลัวเสียงเงิน จอซื้ อ, อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อก็กลัวเสียเงนินเอาอยาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการร่อแร่ทุกเวทนาหนักอย่างนี้ก็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะห น, หน้าไปหาใคร คิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าเลยก็เลยว่าพระสมณะโคดมบรมครูอี่สอนคนทั่วๆวไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เรื่องบุคคลจึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโคดมบรมครู่าโปรดข้าพระเจ้าด้เถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติ ความจริงเขาไม่เริ่มใส่พระเจ้าในเรื่องอื่นเลยในการก่อนนนั้แม่จะยกมือไหวก็ไม่มีสอพ่อสอนมาให้เขาไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมันนนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แล้วได้แต่นอนนอนให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจให้ใจเบาๆขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวเลยต่กรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลําบาก นึกถึงองค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว่าขอมาโปรดให้หายโรคที่เธอะมันเจ็บเรือยเกินมันป่วดเรือยเกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้วปรากฏว่าตอนเช้ามืดองค์สมเด็จพระบาททแก้วทรงใช้อำนาจพระพุทธญ า, า, านเห็นทุกขเวทนาของลูกชายเขามหาเศรษฐีเขาที่หน ก, กากพบพระกับขรม <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อเขาเมือนกันว่าเาชื่ออะไรบาลีม่ได้บอกว่าเธอมีทุกข์ทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผุ้มีพระภาคเจ้ากัระอานนลพรเดจเดินไปบินาบาทผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็จพระจินาสีเป่งขับพรางศีพุ่งไป ให้เห็นคนเดียวคือาพาะลูกชายท่านเศรษฐีพรอธินากรพระพุทครามเวลาในกระหันหน้าข้างฝาแสงสว่างพุ่งเข้าตาเขาคือกกำลังลิของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราติกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพระนอนกำลังเดินไปจับมือยกไหวไม่ไหวแล้ว ใจใจยอมรอมยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระประทีตแก้วตั้งใจว่าขอพระองค์เพื่อโปรดช่วยพราพุทเจ้าหาจะโรคเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวไปท่านเดินท่านเรื่ยๆไปพระนนท์ก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็เป็นการพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระเจ้าไม่นาน แล้วก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายในี่มันดาแทนพุทธบริษัทมันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจหรือว่าที่นักปฏิบัติเขาเรียกอาทิตยสมาณนกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นนิจตาเนื้อมันก็ออกจะร่างเนื้อนี้ไปให้ร่างเนื้อนี้ก็หมดลมหายใจหมดลมปราณทั้งหมด ธาตุไฟดับธาตุลมหมดแล้วจธาตุน้ำก็ธาตุดินอยู่ที่กันสองนายนั้นนายเข้าธาตุดินก็ทนธาตุน้ำไม่ไหวน้ำละลายดินเน่าขึ้นมาเม่นคลุ้งแต่เนื้อแท้จริงๆที่สมาในกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวดา บ, บนสวรรค์เช่นดาวดิงสถิเวโลก มีนามว่ามัตต์ไดกุณลีเทพบุตรเขมามัตต์ไดกุณลีเทพบุตรนี้ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเกลี้ยงคือต่างหูไม่มีเครื่องประดับเป็เพชรตามธรรมดาเทวดาเนี่ยก็มีเครื่องประดับเป็นเพชรแหวนพลาเป็นยับ <c oughs> คนนี้ทําบุญนิดเดียวขอโทษคําว่าทําบุญก็ทุก จะเรียกว่าทำทำได้ใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจา้าตายแล้วเป็นวดาบนสวรรค์ชั้นเดียวกับเทวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณาว่าีหมานของเราเป็นวิมานทองคําทองคําทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องที่ยประดับร่างกายก็เป็นคิดย์เขาก็ถอย ห, หลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่เราอยู่ที่ไหน ความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาแท้พุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอธินากรพระพัปปกตร์พรามเป็นพรามณ์ที่เป็นพานคือเขามา่านแปลวา่าวงโลกไม่รู้จักทําความดีแม้แต่การให้ทานพ ร, านาระพุทธเจ้าบรรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านเสมอเสมอ แม้แต่ยกมือไหวก็ไม่มี <c oughs> แต่สําหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไปใช้เวลานิจเตร ย, ยอมถวายความเคารพท่านมา เ, เ, าเามมากิด เ, เป็นเทวดาอยู่วนสวรรค์ชันดาวดึงมีวิมานก็วิมานทองคํำจะเปรียบเทียบกับวิมมะบ้านเก่าๆสู้ก็ไม่ได้เลยบ้านทรงไม่ได้ร่างกายก็ไม่ร่างกายเป็นทิ ดรรูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกาลังนำไปฝังไรรดประชาเมื่อฝังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้อยู่ใกล้หลุมบนบานสายกล่าวคใอยลูกชายลง ม, มาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เออคิดในใจว่าพ่อของเราจอมโง่แสงโง่จอมผ่านแสนผ่านเราจะต้องไปดัดสันดานพ่อให้รู้จักสร้างความดี วันรุ่งขึ้นพระพรามซึ่งเป็นพ่อของเธอนี้กปยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพแล้วก็บนบนบานแสงกล่าวไหวหน้าไ ห, หวหลังตามแบบฉบับของพรามขอพระพรผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าไปยืนในประชาใกล้ใกล้กับพ่อเก่าของเธอเธอก็ยืนร้องไห้บงัง รามเห็นชายคนนี้เข้าเข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายกักันมากแต่ไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชายยันเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทำไมนอ่่ร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไร ยืนเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโภบุริษัดูก่อนท่านโพจรินแล้วแม่หลุดโพจริญเธอร้องไห้เพราะอะไรไม่ใช่กุนลีเที่ผก็ถามพ่อว่าลุงร้องไห้เพราะอะไรเธอก็ไล่้ฟังมันร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตานนหน้าตาคล้ายเธอรูปร่างสูงทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่า <c oughs> ตายไปแล้วอยากใหกลับมาเกิดใหม่เมื่อบอกแล้วก็ถามว่าเธอเร้องไห้เพราะอะไรนายหลุ่มก็บอกว่าผมมีรถทองคำอยู่คันหนึ่งมันสวยมากครับแต่ไม่มีล้อที่ราอไห้อยากได้ล้อป้าก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็ทามีความรู้สึกรักแทนลูกได้ ก็ถามว่าเธอต้องการล่อเงินหรือล่อทองเป็นล่อแก้วมั น, นีฉันจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะไม่ได้กุนลีที่บมกก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วยขี้เหนียวไม้ถ้าค่ายายก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้ยให้เงินให้ทองให้แก้วมั น, เนีเป็นล้อรถสคาแพงกว่าต้องมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดับฉันดาน เพราะว่าผมไม่ต้องการประเภทนั้นครับเขาะลดขมล ม, มสวยมากต้องการดวงใจงกระโดทิศมาเป็นลอนลอดอยานข้างตาพรามโมโหมาไหวาบาศไม่จะมีมันได้ยังไงดวงจันทร์และโดวิษใครต้องการมันไม่ได้หรอกมอันโยโงเกินไปเมื่อได้คุณนาลีก็ถามว่าแล้วท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้ยังทราบใหมลูกชารเจ้าชายอยู่ที่ไหน พามบอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลงต้องการสิ่งที่ลงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพรามยอมแพ้กระลงความในที่สุดมัตรกุนดลีเพื่อบอกก็บอกให้พรามทราบว่าเธอเนี่ยก็คือมัตเตุนดลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาก็อาศัยมีความเรื่อมใสในพระสัมมาทัพุทธเจ้า ก็แนะนำให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าอรลาม่เหลือน้อยหรืวสองนาทีต้องรีบรัฐแล้วก็กลับไปมายเขาตนรามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอาหารเป็นพิเศษวันนี้จารยรัตนนาองสมเด็จโตรมาโตขะเชกตบสาวกมาฉันที่บ้านแล้วไปฝ้าพุทธเจ้าถามว่าพระสมณโคดม อยากจะทราบว่าคนนั้ไม่เคยให้ทานไม่เคยตะวายทานไม่เคยปางเทศไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดเป็นเทวดามีไหมพระเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ฉันนับหมื่นแนับแสนนับเบบป็นกว่ากฏแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเรียกมาแต่คุณลีเทพประภุตให้มาเพราะมีมาน มเมื่อไม่ได้คุณมลินาลีมาแล้วก็ลงจากรวิมานมาไหว้พระเจ้าพระเจ้าก็ทร ง, งเทศโปรดข้อเทศจบเธอก็เป็นประสงคดาบันระบรรดาทุงพุทธบริษัททุกท่านเวลาจะไม่พอเลยเรื่อนาทีก็เรียบรัรวบเรียบ ร, รีบรวบรวมประจันเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าคุยความพระพุทเจ้านั้นอย่างน้อยที่สดุดบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้แต่เล็กน้อยอย่างม่แต่คุณนาลีเพบุตร เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์กับค้นจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาได้หลังจากนั้นเป็นมโสดาบันตัดบาปอาวุนทั้งหมดอันนี่ยันดาสาวกเขาสมเด็จพระบรญญมุคตพระญาติโยมบรรพุทธบริษัททั้งหลายตัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อรขอความสุขสวัสดิพิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผล ยงมีแดบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี